จัทพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาจันรบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนพุทธ ศ, ศักราช2559เป็นวันที่ท่านตานั้งหลายได้ตั้งใจมาว่าเพื่อมาทำบุญทำทานมาลากายมาทำบาปทั้งปวง มาจำาล่าใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะความศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพราะองค์ทรงเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราจึงต้องอาศัยผู้ที่รู้ที่เห็น พระพุทธเจ้ามาบอกเราถ้าเราเชื่อเราก็จะได้รับประโยชน์ถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงนำามามาสั่งสอนเป็นความจริงที่พวกเราไม่เห็นกันแต่มักจะไปประสบกันไปเจอกันโดยที่ไม่มีความ ปรารถนาที่จะเจอก็คือความทุกข์ต่างๆหรือการไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างอันนี้เป็นของจริงแต่เรามองไม่เห็นกันและเราไม่รู้เหตุที่ทาให้เราไปพบกับของเหล่านี้แต่ถ้าเรามาได้ยินได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจะทรงสอนว่าบาปคือการกระทาที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทำให้ผู้อื่นเสียหาย<ม>เช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดตวัวไม่นีการพูดปดการเสพสรารยาเมาเป็นการกระทาที่จะทำให้เราต้องไปรับผลที่เราไม่ปรารถนากัน เช่นไปเกิดเป็นเรัรบฉานไปเป็นเปรยไปตกนรกอันนี้เรามองไม่เห็นกันเพราะว่ามันเป็นของที่ละเอียดกว่าตาของพวกเราจะเห็นได้ผู้จะจะเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นการเมียน่าวตายเกิดจาเป็นจะต้องมีตาทิ่มีตาในที่สว่าง ตอนนี้พวกเรามีตาในแต่เป็นตาในที่มืดบอดเพราะถูกความหลงความไม่รู้ปกปิดเอาไว้เหมือนเด็กที่ไม่รู้อะไรเด็กกับผู้ใหญ่นี่มีความรู้ต่างกันเพราะอะไรเพราะรู้ผู้ใหญ่ได้มีการศึกษาได้มีการรับรู้เหตุการณ์ต่างๆจึงมีความรู้มากกว่าเด็ก เด็กเพิ่งเกิดมาใหม่เด็กยังไม่ได้รับประสบประการต่างๆไม่ได้ไปเรียนรู้ตามโรงเรียนสถานที่ศึกษาเด็กจริงไม่ค่อยรู้เหมือนกับผู้ใหญ่รู้พวกเราก็เหมือนกันพวกเราไม่รู้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เพราะพวกเราไม่เปิดตาในกันไม่ทำให้ตาในเราสว่างถ้าตาในเราสว่าง เราจะเห็นสิ่งภายในใจที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายตาของร่างกายนี้มองได้แต่ของภายนอกใจแต่ของภายในใจของที่ละเอียดคือของที่อยู่ในโลกทิพนี้เราต้องเปิดตาในถึงจะเห็นได้การจะเปิดตาในได้เราก็ต้อง ปิดตาน อ, อกเรานั่งสมาธิทําใจให้สงบหลับตาเพื่อที่เราจะได้ไม่เห็นสิ่งภายนอกแล้วเราก็จะเริ่มเห็นสิ่งภายในเห็นอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงเห็นนรกทรงเห็นสวรรค์ทรงเห็นภพชาติต่างๆของผู้ที่กระทําบาปกระทําบุญและทรงเห็นการเวียนว่าตายเกิด ของสัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเราและเห็นผู้ที่ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ของเหล่านี้เป็นของจริงเป็นของที่มีอยู่เพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นกันเพราะตาที่เราใช้มองนั้นถูกปิดไว้ด้วยความด้วยความมืดบอดคือความหลง ด้วยความไม่ฉลาดคือไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่นั่งสมาธิกันจึงไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้เราจึงต้องอาศัยคนที่รู้คนที่เห็นถ้าเราอยากที่จะเดินไปในทางที่ปลอดภัยเดินไปในทางที่พาให้เราได้ไปพบกับความสุขความเจริญ เราก็ต้องเชื่อคนตาดีพวกเราเป็นเหมือนคนตาบอดคนตาบอดจะไปไหนมาไหนนี่ต้องอาศัยคนตาดีพาไปถ้าไม่มีคนตาดีพาไปหรือบอกทางคนตาบอดก็จะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการจะไปได้ฉันใดพวกเราถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้า เราทามตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราก็จะได้ไปสู่ที่เราปรารถนาคือที่มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญที่ที่ไม่มีความทุกข์และเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้แล้วเราก็จะไม่ต้องเชื่อไม่ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าอีกต่อไปถ้าเรา เปิดตาในของเราให้สว่างได้ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือมากำจัดความมืดบอดคือความหลงความไม่รู้คืออวิชชาให้ออกไปจากใจพอใจไม่มีความหลงไม่มีอวิชชาใจก็จะเห็นชัดเจนทุกอย่าง เห็นบุญว่าเป็นต้นเหตุของการไปสู่สวรรค์เห็นบาปว่าเป็นต้นเหตุของการไปสู่อบายเห็นการชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจว่าเป็นการพาให้ใจได้ไปสู่พระนิพพานไปสู่การไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวร ที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดความสุขที่เราได้รับในขณะนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องหมดไปเวลาที่ร่างกายเราแก่ร่างกายเราเจ็บร่างกายเราตายความสุขต่างๆที่เราหากันได้ในขณะนี้พวกเราก็จะไม่สามารถหากันได้แล้วก็ความสุข ที่เราได้รับจากการทำบุญเวลาตายไปเราจะได้ไปสวรรค์แต่สวรรค์ก็ต้องเสื่อมต้องหมดเหมือนกันไม่เหมือนพระนิพพานที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดพอสวรรค์เมื่อบุญที่ทำไว้หมดแล้วความโลภความอยากก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดใหม่เราก็ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ มาร้องโหย่ร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจใหม่ถ้าพวกเราไม่อยากที่จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างที่พวกเราทํากันอยู่ในปัจจุบันนี้เราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าพยายามทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทําคือหนึ่งให้ละการกระทําบาปทั้งปวงไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณี ไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมาและสารเสพติดต่างๆแล้วก็ให้ทำความดีให้ถึงพร้อมทำบุญต่างๆเช่นทำบุญใส่บาตรทำบุญกับพ่อกับแม่มีความกตัญญูกะตะเวทีมีความเคารพความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณ ทำประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเหนือร้อนทำใจให้ฉาลาดด้วยการฟังเทศฟังธรรมอันนี้เรียกว่าเป็นความดีต่างๆที่เราควรจะทำกันเพราะเมื่อเราได้ทำแล้วเราก็จะมีความรู้ความฉลาดที่จะให้เราได้ไปชำระใจของเรา ให้ใสสะอาดให้บริสุทธิ์ถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมถ้าเราไม่ได้ทำความดีต่างๆเราก็จะเอาเวลาไปทำสิ่งที่ไม่ดีเช่นไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแทนที่จะมาวัดมาทำบุญมาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไปเที่ยวกันไปดูภาพประย์ไป เหน่สุรายามางไปงานเลี้ยงต่างๆไปทำอะไรต่างๆที่ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์กับจิตใจของเราเพราะไม่ได้ทำให้เราฉลาดขึ้นไม่ได้ทำให้เรามีเวลาที่จะได้มาชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแต่ถ้าเราทำความดีเช่น ว, วันนี้เรามาวาดกัน มาทำความดีกันมาทำบุญใส่บาตรมาฟังเทศฟังธรรมอันนี้เรียกว่าเป็นการทำความดีที่จะพาให้เราได้ก้าวไปสู่ที่ดีต่อไปเราต้องฟังเทศฟังธรรมเพราะเมื่อเราฟังธรรมแล้วเราจะได้รู้อะไรที่เราไม่รู้เช่นเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาแล้ว เดี๋ยวเวลาร่างกายนี้ตายไปเรายัางไม่ตายไปกับร่างกายเราก็จะต้องไปรับผลบุญผลบาปที่เราทำกันต่อไปที่เราไปก็มีที่เรียกว่าสวรรค์หรือที่เราเรียกว่าอบายขึ้นอยู่กับการกระทำของเราในปัจจุบันว่าเราทำบุญหรือเราทำบาป ก, กันถ้าเราทำบุญไม่ทำบา เราก็จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเราทําบาปไม่ทําบุญเราก็จะไปอบายชั้นต่างๆ <c oughs> เวลาที่เราตายไปนี้ร่างกายตายไปใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเราจะถูกบุญหรือบาดึงไปให้ไปทางใดทางหนึ่งถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาบุญก็จะเดินไปสวรรค์ชั้นต่างๆ ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงเราไปสู่อบายชั้นต่างๆไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นอสุรกายหรือผีบ้างหรือไปตกนรกบ้างขึ้นอยู่บุญกับบาปที่เรากำลังทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้บุญกับบาปก็เป็นเหมือนกับเงินทองถ้าเราเอาไปฝากธนาคารเราก็จะมีเงินฝาก ถ้าเราไปกู้เงินมาจากธนาคารเราก็จะมีหนี้ที่เราจะต้องใช้การทำบุญก็เหมือนกับเอาเงินไปฝากในธนาคารส่วนการไปกู้เงินจากธนาคารก็เป็นการสร้างหนี้บาปก็เป็นเหมือนกับการสร้างหนี้บุญก็เป็นเหมือนกับการเอาเงินไปฝากในธนาคารเวลาเราต้องการใช้เงินไปเที่ยวเราก็เบิกเงินไปได้ แต่ถ้าเราไม่มีเงินฝากมีแต่นี่เราก็ต้องใช้นี่บาปก็คือนี่ที่เราสร้างขึ้นมาเราทําบาปแล้วเราก็ต้องไปชดใช้บาปเช่นเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าฆ่าสัตว์เดรัจฉานฆ่ามดฆ่าแมะลงเวลาเราตายไปเราก็ต้องไปเกิดเป็นมดแมะลงให้เขามาฆ่าเราไปใช้นี่กันแต่ถ้าเราทําบุญ ตายไปเราก็ไปเที่ยวนในสวรรค์ไปบุญนี้เป็นเหมือนเงินที่จะพาให้เราไปเที่ยวตามสวรรค์ชั้นต่างๆที น, นี้บุญกับบาปก็ อ, อยู่ที่ว่าเราทํามากทําน้อยเวลาเราตายไปเราทําบาปมากกว่าทำบุญบาปก็จะดึงเราไปไปอบายก่อนไปใช้กรรมก่อนจนกว่าบุญกับบาปมีกําลังเท่ากัน บาปก็ไม่สามารถดึงให้เราอยู่ในอบายได้บุญก็ไม่สามารถดึงเราไปสวรรค์ได้ตอนนั้นเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ร่างกายอันใหม่ล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่แล้วพอเวลาตายไปถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาบุญก็จะดึงไปสวรรค์จนกว่าบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเวียนว่ายตายเกิดไปจนกว่าเราจะสามารถหยุดความอยากหยุดความโลภได้ถ้าเราไม่มีความโลภไม่มีความอยากอะไรบุญกับบาปก็จะไม่สามารถดึงเราให้ไปเกิดในสวรรค์หรือไปเกิดในอบายได้เราก็จะไปอยู่ที่พระนิพพานอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอาหารหันตสาวก เราก็ไม่ต้องเวียนไหวตายเกิดอีกต่อไปการที่เราจะไปพระนิพพานได้เราก็ต้องชำระความโลภความโกรธความหลงชำระความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปวิธีที่จะชำระความโลภ ก, ก็คือเราต้องใช้เหตุผลใช้ปัญญาเช่นเวลาเราโลภอยากได้อะไรเราก็ต้องถามตัวเองว่า สิ่งที่เราอยากได้นี้ถ้าเราไม่มีมันเราจะตายไ้ยถ้าไม่ตายก็ไม่จำเป็นไม่ควรที่จะมีเพราะถ้ามีก็เป็นการสร้างภพสร้างชาติถ้าเราทำตามความโลภมันก็จะทำให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อ ย, อยแต่ถ้าเราไม่ทําตามความโลภเช่นเราไม่ซื้อของที่เราอยากได้เช่นอยากจะซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ แต่ของเก่าที่เรามีอยู่ยังใช้ได้ดีอยู่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อเราก็อย่าซื้ออย่าไปซื้อของตามความโลภถ้าจะซื้อต้องซื้อตามความจำเป็นเช่นโทรศัพท์เครื่องเก่าหายไปหรือมันเสียซ่อมไม่ได้ต้องซื้อเครื่องใหม่มาใช้อย่างนี้ไม่เรียกว่าโลภอย่างนี้เรียกว่าจำเป็น เราต้องใช้โทรศัพท์ในการทำมาหากินติดต่ออะไรกันหรือเสื้อผ้าก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีเสื้อผ้ามากกว่าที่เราจะใส่ได้แล้วก็อย่าไปซื้อแต่ถ้าเสื้อผ้ามันขาดมันใส่ไม่ได้แล้วไม่พอใส่อันนี้ก็ซื้อมาได้อันนี้จะเป็นวิธีที่จะทำให้เรากำจัดความโลภได้ ส่วนความโกรธนี้ก็จะไม่เกิดถ้าเราไม่มีความโลภความโลภนี้ทำให้เราเกิดความโกรธขึ้นมาเช่นเราอยากจะได้อะไรแล้วมีคนมาขัดขวางเราเราก็จะโกรธคนที่มาขัดขวางเราแต่ถ้าเราไม่มีความโลภเราก็จะไม่มีความโกรธใครหรือถ้าเราไม่มีความโลภอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เวลาเขาไม่ทําเวลาเขาไม่เป็นเราก็จะไม่โกรธเขานี่คือถ้าเราตัดความโลภได้เราก็จะตัดความโกรธได้แต่ถ้าเกิดยังตัดความโลภไม่ได้ความโกรธก็เกิดวิธีที่เราจะดับความโกรธที่เกิดขึ้นเราก็ต้องใช้ความเมตตาเช่นให้อภัยอย่าถือสาใครก็ทําอะไรไปก็ถือว่า เป็นเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราไม่ควรจะไปโกรธเขาเพราะความโกรธนี้จะทำให้เราเจ็บใจทำให้เราไม่สบายใจถ้าเราไม่โกรธเขาเราก็จะเฉยเฉยไม่เดือดร้อนดังนั้นเวลาใครทำเราทาอะไรให้เราโกรธเราต้องอย่าไปตอบโต้อย่าไปโกรธพยายามระ ง, งับความโกรธด้วยการใช้ความคิดใช้ปัญญาว่า เราห้ามเขาไม่ได้เขาจะทําอะไรนี้เราห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้ห้ามความโกรธเราได้เราไม่ต้องโกรธเขาได้วิธีที่จะไม่โกรธก็ให้คิดอย่างนี้ถ้าเขาว่าเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็คิดว่าดีแล้วเกิดนาแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องตาย ตายแล้วก็สบายไม่ต้องมาวุ่นวายกับการหากินหาอยู่ถ้านะคิดอย่างนี้เราก็จะไม่โกรธเขาไดนะ้อันนี้คือวิธีที่จะทำให้เรากำจัดความโลภความโกรธต่างๆแล้วต้นเหตุของความโลภความอยากก็เกิดจากความหลงเราจะแก้ความหลงก็ต้องแก้ด้วยปัญญาปัญญาของพ่พระพุทธเจ้าความรู้ของพระพุทธเจ้า ที่ทรงรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ที่พวกเราอยากได้กันอยากมีกันนี้มันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความทุกข์ที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ความสุขเนเวลาเราอยากได้อะไรพอเราได้มาเราก็จะมีความสุขดีอกดีใจแล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาเพราะเราต้องกังวล ต้องห่วงใยแล้วก็ต้องเสียใจเวลาที่ของที่เราได้มาจากเราไปเพราะของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเป็นบุคคลหรือเป็นอะไรก็ตามที่มีอยู่ในโลกนี้เขาจะไม่ได้อยู่เป็นอยู่เหมือนเดิมตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเกิดแล้วก็มีดับมีเจริญแล้วก็มีเสือ่อม เส้นลาบยศสรรเสริญสุขมีเจริญก็มีเสือ่อมเวลาเราเจริญลาบยศสรรเสริญสุขเราก็ดีอกดีใจกันแต่พอเราเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมสรร er, เสริญเสื่อมความสุขเราก็เสียอกเสียใจกันร้องห่มร้องไห้กันนี่เป็นเพราะเราหลงเราไม่คิดว่าเราไม่รู้ว่าของทุกอย่างในเรื่อนี้มีเจริญก็ต้องมีเสือ่อม เราจะคิดว่าจะเจริญไปอย่างเดียวจะเป็นของเราไปอย่างเดียวจะอยู่กับเราไปอย่างเดียวจะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันจากเราไปพอถึงเวลาที่เขาเสื่อมเวลาที่เขาจากเราไปเราก็จะต้องร้องห่งร้องห้าเศร้าโศกเสียใจแม้แต่ร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกันเราก็คิดว่าร่างกายของเรานี้ใจเป็นของเราจะอยู่กับเราไปตลอด แต่เราไปดูเห็นร่างกายคนอื่นเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวเขาก็ตายไปเดี๋ยวเขาก็แก่เดี๋ยวเขาก็เจ็บกันร่างกายของเราก็เหมือนของเขาแล้วล่ะ LA. เดี๋ยวร่างกายของเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแต่เราไม่ยอมมองกันไม่ยอมคิดกันเราก็เลยหลงคิดว่าร่างกายของเราจะไม่แก่จะไม่เจ็บจะไม่ตายกันเราต้องมาแก้ความหลง ด้วยการเอาความรู้ของ พ, พ่อพทธเจ้ามาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าของทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศเสริญไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างๆล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ถาวรมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับนะมีมาแล้วก็ต้องมีไปมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสือ่อร่างกายของเราก็เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ให้คิดอย่างนี้บ่อยๆแล้วเราจะได้ไม่หลงพอไม่หลงแล้วเราก็จะไม่โลภอยากได้อะไรเพราะเรารู้ว่าได้มาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องจากกันได้มาแล้วก็ต้องมาวิตกกังวลมาคอยดูแลรักษาสิ่งที่เราได้มาแล้วก็มาไม่สบายใจกับสิ่งที่เราได้มาแล้วเวลาจากไปเราก็ต้องเสียใจกันถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อย เราจะไม่มีความโลภอยากได้อะไรแลวเราจะมีความสุขมากกว่าการที่เรามีอะไรเพราะการเวลาที่ใจเราไม่โลภนี้ใจเราจะนิ่งใจเราจะสงบใจเราจะมีความสุข<ม>ความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่การไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงนี่เองถ้าไม่มีความโลภโกรธหลงแล้วใจของเราจะนิ่งจะเฉยจะสบาย จะไม่หิวไม่อยากได้อะไรแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ไม่อยากได้ถ้าร่างกายต้องตายไปก็ไม่เสียอกเสียใจเพราะใจสามารถอยู่โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายได้ถ้าใจไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงใจนี้อยู่ตามลาพังได้อย่างใจของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ไม่มีร่างกายเหมือนพวกเรานี่ แต่ใจของพระพุทธเจ้าก็อยู่ได้อย่างสบายอยู่ได้อย่างสุขอยู่อย่างไม่มีความทุกข์นี่แหละคือวิธีอยู่ของพวกเราที่แท้จริงเราต้องอยู่โดยไม่มีอะไรไม่มีร่างกายไม่มีราภยศสรรเสริญไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรไม่มีธิดาไม่มีอะไรต่างๆเพราะมีแล้วมันทําให้เราทุกข์ เพราะว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันเวลาจากกันก็ร้องห่มร้องไห้แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเราอยู่อย่างสบายได้โดยไม่มีอะไรพอเราสูญเสียอะไรไปเราก็ไปหามาใหม่สูญเสียร่างกายก็ไปเกิดใหม่สูญเสียสามีหรือภรรยาก็ไปหามาใหม่สูญเสียลูกก็ไปหามาใหม่สูญเสียเงินทองก็หามาใหม่ มาแล้วก็ต้องมาทุกกับสิ่งที่เราได้มาเพราะเราอยู่ตามลำพังไม่ได้เราอยู่เฉยๆไม่ได้เราไม่รู้จักวิธีอยู่เฉยๆนั้นอยู่อย่างไรเราจึงต้องมาฟังจากพ่อพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าสอนว่าวิธีที่เราจะอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ต้องมีอะไรได้เราต้องหยุดความคิดของเราอย่าคิดเพราะคิดแล้วจะทำให้เกิดความโลภ พอโลภแล้วอยู่อยู่ไม่เป็นสุขแต่ถ้าเราไม่คิดความโลภ ก, ก็จะไม่เกิดเมื่อไม่มีความโลภเราก็อยู่เฉยๆได้อยู่ยังมีความสุขได้ดังนั้นเราต้องมาหัดหยุดความคิดกันวิธีที่จะหยุดความคิดก็ต้องใช้สติวิธีที่จะทำให้มีสติก็คือต้องใช้พุทโธต้องบริกรรมท่องพุทโธไปเรื่อยๆ ถ้าเราท่องพุโทโธเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้คนนั้นคนนี้ได้พอเราไม่คิดเราก็ไม่มีความโลภไม่มีความอยากเราก็จะอยู่เฉยๆได้นี่คือวิธีการที่จะทำให้เรานี่อยู่กันอย่างมีความสุขอยู่กันอย่างไม่มีความทุกข์อยู่กันแบบไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย ไม่ต้องมาทุกข์กับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พระพุทธเจ้าได้ทำแล้วท่านได้พิสูจน์แล้วว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดคือการอยู่แบบไม่มีอะไรอยู่แบบไม่ต้องคิดอะไรถ้าไม่คิดแล้วก็จะไม่โลภไม่โลภ ก, ก็จะไม่โกรธแล้วก็จะไม่หลงนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสัลุแล้วนำมาสั่งสอนพวกเรา คนที่ฟังแล้วเชื่อแล้วนําเอาไปปฏิบัติก็สามารถทําใจให้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายท่านเหล่านี้เราก็เรียกว่าพระสาวกพระอรันตสาวกพระสาวกนี่ก็ไม่ได้มาจากใครก็มาจากพวกเรานี่แหละพวกเราที่มาฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆแล้วเราล เอาเอาไปคิดตามที่พระเจ้าสอนเราก็จะเห็นว่าเรากำลังสร้างความทุกข์ให้กับตัวของเราเองด้วยการไปมีอะไรต่างๆมากมายก่ายกองแล้วก็ต้องมาร้องโหมร้องไห้เสีย อ, อกเสียใจเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งที่เราได้มาต่อไปถ้าเราเห็นโทษแล้วเราก็จะได้หยุดความคิดกันหยุดความโลภกันหยุดความโกรธหยุดความหลงกัน พอเราหยุดมันได้แล้วเราก็ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีร่างกายเราก็จะอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่กับแบบพระสาวกตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่พระสาวกก็ยังมีอยู่เพียงแต่ท่านไม่มีร่างกายเหมือนกับพวกเรามีเท่า น, นั้นเองเราจึงไม่สามารถมองเห็นพระพุทธเจ้าได้เพราะท่านไม่มีร่างกายเหมือนพวกเราต่อไปร่างกายของเราอันนี้ก็ต้องตายไปเราก็จะไม่มีร่างกายเหมือนกัน แต่ถ้าเรายังมีความคิดยังมีความโลภอยู่เราก็จะไปหาร่างกายอันใหม่แต่ถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างไม่มีความทุกข์อยู่แบบไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตาย ข, ขอให้เรามาหัดหยุดความคิดกันหัดท่องพุทโธพุทโธกันไปแล้วต่อไปใจของเราก็จะสงบใจของเราก็จะไม่ ไม่หิวไม่อยากได้อะไรไม่โลภใจของเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจะอยู่กับความสงบไปตลอดยังขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำตามที่พุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้กระทำคือให้รับการกระทำบาปทั้งปวงให้ทำบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชำระความโลภความโกรธความหลงด้วยการหยุดความคิด